เทศนาแผ่นที่76ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่16นิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าเอาศีลและวินัยเตือนกัน วั น, นี้พระของเราพระลงอุบสถวันนี้สาสิ้านะวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราลงลงอุโบสถเที่ยงวันนี้จบลงสักครู่นี้พระทั้งหมดสามสิบสาสิเก้ารูปวันนี้เป็นวันที่สิบหก มิถุนายนพุทธศักราช2558เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน8ดูในปฏิทินจากนี้ไปประมาณเดือนกับ15วันเป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาของเราปีนี้คงเป็นวันที่1สิงหาวันอัสารหะ1วันที่31 เพราะนั้นทุกอย่างให้เราเตรียมพร้อมแต่ก็ยังไกลหรอกแต่พูดทางเนธทางนั้นก็เพียงแต่ว่าให้เตือนให้รับทราบไว้แล้วก็พวกเราได้ลงโบสดผ่านไปแล้วแต่ผมมองมองดูพวกเราท่านทั้งหลาย <c oughs> ที่เขาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสามสบ้ารูปล้วนแล้วแต่เป็น ระดับผู้ใหญ่เป็นส่วนมากแต่ถึงยังไงให้พวกเราทบทวนดูสมัยเมื่อเราเป็นฆราวาสหรือว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ละ่ะติว๋วเราเป็นนักพรตนักบวชก็เถอะเราได้ยินหมู่พเพื่อนได้ยินศรัทธาญาติโยมหรือว่าได้อ่านหนังสือตามสื่อต่างๆที่พวกเราได้รับรู้รับทราบแต่เมื่อเราได้ยิน การประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเราได้ยินบางเสียงบางอย่างเราก็ขวางหูขวางตาและก็ขวางใจไม่พอใจสรุปแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติของพระนี่ย่อหย่อนไม่น่าจะถูกต้องตั้งที่เราเลียเ้ยงชีวิต เรื่องด้วยชาวบ้านแล้วทําตนประพฤติตนวางตนกิริยามารยาทของตนไม่แพ้ชาวบ้านอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเมื่อเป็นคราวาตัตแต่บัดนี้พวกเราได้มาบวชในภพระพุทธศาสนาได้มาอยู่ป่าอย่างนี้มาอยู่อย่างวัดของเราอย่างนี้ให้พวกเราทบทวนดู ว่าสิ่งไหนที่เราไม่พอใจเลือเราได้ยินแล้วขวางหูขวางใจของเราให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปทําอย่างที่เราได้ยินได้เห็นอย่างที่เราได้รับรู้เราควรจะทําให้ตัวทําตัวให้ดีที่สุดในเมื่อข้าพเจ้าบวชในพุทธศาสนาถึงจะอดจอยากย่างไงข้าพเจ้าจะเป็นพระที่ดีจะเป็นผู้ทรงศาสนาให้เป็นที่ยอมรับเื่อเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ของญาติพี่น้องเป็นอันดับแรกอันดับแรกก็คือไว้เป็นที่ไว้ใจของตนเองให้ตายใจยได้สาหรับพระอย่างเราเนี่ยเรากล่าบเราได้การประพฤติปฏิบัติอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นคนถ้าเราเป็นพระหรือบอกเราเป็นพระเราก็กล่าบเราได้เพราะอะไรเพราะเราทําตัวให้เป็นพระที่ดีที่สุดในความรู้สึกของเราเอ อ, อยังไม่ใช่ว่าตัวเองก็กราบตัวเองไม่ลง พอตัวเองทำสิ่งที่ไม่ควรทําคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดขนาดตัวเองยังกราบตัวเองไม่ลงแล้วจะให้คนอื่นกราบรงเราลงได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทบทวนดูในตัวของเราแต่ก่อนเมื่อเราเป็นคราวาดัดเราตำหนิคนอื่นเขาตำหนิพระอย่างนู้นพระอย่างนี้แต่พอตัวเองเข้ามาบวชแล้วยิ่งแยกพวเขาไปอีกอย่างนั้นไม่ใช่นะ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่มาเร็วเรามาบวชเป็นพระป่าอีกตัางหากแล้วก็ให้ดูอีกพระในวัดของเรานะหลวงพ่อเปิดให้ดูดูกันจะเป็นองค์ใดก็ตามถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายมองดูแล้วว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อากับกิริย์อย่างนี้ไม่น่าดูไม่น่ามีในในวงการกรรมฐานให้พวกท่านทั้งหลายบอกผมเลยเ อ, อไม่ต้องเกรงใจ เพราะพระพาในกัางพระพุทธเจ้านะเมื่อพวกพระภิกษุเหล่านั้นเห็นขันอยู่ด้วยกันถ้าองค์ใดมีปฏิกิริยาอกับกริยาไม่ดีพระเหล่านั้นก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจา้าว่าพระองค์นั้นทาอกับกลิยายาอย่างนี้มันไม่น่าจะเหมาะสมดีไหมหรือไม่ดีพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าดูละเออเขาไม่มีเจตนาบางทีท่านก็ไม่ปรับ แต่บางท่านบางครั้งโดยมากท่านปรับให้พวกเราในอ่านอ่านในพระวินัยของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกตั้งแต่ปาลาชิกจนถึงข้อสุดท้ายมีพระภิกษุ ฟ, ฟ้องกันทั้งนั้นเออครับจะให้พระพุทธเจ้าเห็นทุกเรื่องทุกราวเห็นทุกซอกทุกมุมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อพระสงฆ์เห็นสิ่งไหนที่จะเป็นหายนะที่สิ่งไหนที่มันจะ เป็นอันตรายต่อหมูพวกเพื่อนต่อครูบาอาจารย์ต่อวัดวาศาสานาต่อกลุ่มของพวกเราคณะทายาโยมเห็นแล้วเขาจะเกิดความเอื่อมละอาเบื่อหน่ายในพระภิกษุให้พวกท่านทั้งหลายมองกันดูกันถ้าหาว่าไม่กล้าตัดสินใจหรือเรื่องอะไรที่มันไม่มั่นใจก็มาถามผมอีกเอ๊ะหลวงพ่อครับพระปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้ ตามความเห็นของหลวงพ่อในหลวงพ่อมีความเห็นว่ายังไงเรื่องเหล่านี้ผมก็ให้อยากจะให้หมูพวกเพื่อนดูกันเองพัฒนากันเองมองกันเองเอแล้วก็ในพ่อวินยัยนะในส่วนจิตภาวนาก็เหมือนกันจิ จ, จวัดข้อวัดแต่ละที่แต่ละกุฏิเป็นยังไงลดลงลังอย่างไงไม่ดูไม่แลในการเป็นอยู่ข้อทนเองอย่างไรไม่ ทนาอย่างไรเอ้ถลวงพ่อครับกูบาองค์เนี้ยท่านองค์เนี้ยดูดูแล้วมาอยู่กับหลวงพ่อนมนานดูแล้วคิเกียดปัดกวาดอีกต่างหากดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องผมว่าให้หลวงพ่อไปดูดูซิเนี่ยที่พักของพระคูบาองค์เนี้ยเป็นยังไงผมก็จะได้ไปดูดูว่าเป็นยังไงมันจริงไหม สิ่งเหล่านี้แหละอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายดูกันเองแล้วก็มาบอกผมอย่างพระพุทธเจ้าผมก็ไม่ได้เปรียบเทียบตนเหมือนพระพุทธเจ้าหรอกแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าท่านจะบัญญัติสุม่มสีสุมห้าไม่ใสดบัญญัติวินยัยขึ้นเองขึ้นเองขึ้นเอ ง, เองไม่ใช่ให้พวกเราศึกษาวินัยและสิกขาบทแต่ละครั้งแต่ละสิกขาบทน่ะภิกษุเข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนอย่างพระ สงฆ์ทางหลายพอบวชเข้ามาแล้วสเปะ ส, ป, ส ป, ปะไม่มีมาลายาตไปเห็นเขาอยู่ในวงล้อมข้าวเขาในครอบครัวของเขาพระไม่มีบิณฑบาตไม่มีอาหารเจฉันชูบาทเข้าในวงข้าวของเขาในภาข้าวของเขาเขาก็จะแบ่งอาหารที่กาลังเขาจะรังจะกินอยู่นะให้ใส่บาตรพระเอาไปมากระด้านไปเื่อยๆครูบาอาจาร ผู้มีฮิลิโอตปะที่เป็นพระสงฆ์ในครั้งนั้นเป็นพระเก่าท่านเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ในยุคนี้สมัยนี้ทำไมไม่มีฮิลิโอตปะแต่ท่านก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ว่าท่านชูบาดเข้าไปในสําหรับกับข้าวของเขาไปขอในภาข้าวของเขาเลยยังเพราะท่านปิณฑบาตไม่ได้อแต่อีกมองอีกมุมหนึ่งท่านก็หิวเนี่ยออถ้ามองอีกมุมแต่ว่าอีกมองมองอีกมุมหนึ่งไม่ใช่เรื่องของพระ กิริยามลายาตของพระไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ท่านี้พระสงฆ์ก็ศรัทธาญาติโยมชาวบ้านพุทธบริษัทเขาก็บอกเอ๊ะส ม, มัยสมณศักดิยาบุตรไม่มีมารยาตไม่มีฮิริไม่มีความอายแต่ฆราวาสเขาก็ไม่ทํากันอย่างนี้แต่พระทําไมทำเนี่ยสมณศักยาบุตรทําไมจึงทำอย่างนี้ได้อันนี้ก็คือฆราวาสญาติโยมเขาติฉินอินทาจากนั้นพระสงฆ์ผู้มีฮิริอดตะปะผู้ มีความละอายแก่ใจผู้ทรงศิลปท่านก็เอ๊ะไม่น่าจะเป็นก็เห็นอีกต่างหากจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยพระรุ่นนี้กลุ่มนี้พระสมัยนี้ทําไมเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรท่านก็ค้นหาสาเหตุพระสงฆ์ก็กราบทูลว่าพระบวชใหม่พอบวชเข้ามาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนไปพอบวชเข้ามาแล้วกับ ปล่อยเลยตัดถางปล่อยเลยพอบวชเขามาแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ไม่ได้สอนกิริยามารยาทไม่ได้สอนให้วิธีการชีวิตของพระควรปฏิบัติตนอย่างไรศีลและวิัยเป็นอย่างไรท่านไม่ได้สอนไม่ได้บอกพระเจ้าข่านเออตั้งแต่บัดตอนนี้ก็เรียกไปชมสงฆ์เลยเรียกไปชมสงฆ์พร้อมกันจากนั้นก็ตั้งวินยัยตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปกลุ่ระบุผู้ใด เข้ามาบวชในศาสนาของเราพอบวชเข้ามาแล้วต้องขอเนตสัยจากครูบาอาจารย์จากพระอุปชาจากพระอาจารย์อย่างน้อยห้าปีถ้าว่าองค์ใดไม่อยู่ในนิตไม่ขอเนตสยัยปรับอวบทุกกฎให้พระอาจารย์ก็ดีเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องใส่ใจต้องดูแลลูกของตนลูกศิษย์ของตน ถ้าหากว่าดูและกิริยามารยาทไม่พร้อมแล้วยังไม่ให้บวชก็อย่าเพิ่งบวชต้องดูท่านเป็นอาจารย์ต้องรับผิดชอบพอต่อมาเนี่ยพระบวชเข้ามาแล้วท่านข อ, อนืสัยอาจารย์เรโยเมพันเตโหมิขอท่านอาจารย์เป็นขอท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ า, าท่านอาจารย์ เ, ยเออเรารับาจากนั้นอาจารย์ก็เป็นผู้ดูแลาการเป็นอยู่ทุกอย่างถึงจีวร อ, อาหารการบริโภค ก็เหมือนพ่อดูแลลูกทีนี่แต่สําหรับพวกลูกศิษย์ลูกหากระดูแลครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันลูกอยู่ในอ้อมอกของพ่อพ่อจะต้องดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงบริหารขาดเหลือขาดตกอย่างไรแต่พ่อนี่ก็พร้อมที่จะว่ากล่าวแนะนําบอกกล่าวทั้งดุทั้งด่าแนะนําสั่งสอนทั้งดีทั้งไม่ดี อ, อ, อันไหนไม่ดีก็บอกอันไหนดีก็บอกอันไหนผิดอันไหนถูกบอกหมดอันนี้คือพระอาจารย์ หรือพระ อ, อุปช า, าพร ะ, ะใหม่ก็ต้องเข้ามาต้องอยู่ศึกษ า, าจนถึง5ปีจึงหวนนิสัยมุตตะกะแปลว่าเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงตัวได้มองตัวได้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกรู้ทเทนีเพราะเหตุไรเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะ่ะอันนี้แหละคือพระวินัยของพระพุทดธดเจ้านี่นี่แหละคือความเป็นมาของวินยัยเพราะนั้น มิใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปรู้ทุกอย่างแล้วก็บัญญัติวินัยไม่ใช่พระสงฆ์เองเป็นผู้ดูแลกันเองอันไหนเหมาะสมอันไหนถูกต้องอันไหนไม่สมควรอย่างไรจากนั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นพระขี่ฟ้องก็ใช่ฟ้องไปในทางที่ดีเจตนาดีเพื่อจะเป็นการสร้างสรรหรือเป็นการพัฒนาหมู่พระสงฆ์ให้ปให้อยู่ในกรอบรหลักพระธรรมวินัยนี่แหละ สิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะในการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเกรงอกเกรงใจกันใครทําผิดทําถูกนะก็เฉยเพลให้สุกมุมีแต่หมุม่บับปุมบัมมบติชินเดินทากันผลได้สุกอะไรจิตใจเศร้าหมองในการอยู่ด้วยกันบุคระไม่สับปายะบุคคลที่อยู่ด้วยกันไม่เป็นที่สบายเรียว่าบุคคละไม่สับบายะบุคคลที่อยู่ด้วยกันพระที่อยู่ด้วยกันไม่ไว้ใจกัน ไม่เป็นห น, หนึ่งเดียวกันไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย อ, อ, อันนี้มันก็ไม่ดีแต่ถึงแต่งไงการจะเป็นขี้ฟ้องก็ฟ้องเจตนาดีให้ดูเจตนาของเราเป็นหลักเรามีอะไรเราไม่ได้ฟ้องครูบาอาจารย์เพื่อทําร้ายทําลายหมู่พวกเพื่อนแต่ว่าเป็นการท้วงติงหรือเพื่อสังสร้างสรรค์ในหมู่ในคณะให้อยู่ในกรอบของมัลลัก พระธรรมไม่ไหนให้อยู่ในกฎระเบียบแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ไปบอกประชุมกันในหมู่ในเพื่อนซะก่อนเออเอมันเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อย่าให้หนักใจของครูบาอาจารย์นะเอาประชุมกันแล้วก่อนพอประชุมกันกับพูดในที่ประชุมเลยเอเอผมขอเสนอในเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นือผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้ในที่ประชุมพอผู้ประชุมแล้วกระจบไม่ต้องพูดไม่ต้องขยายผลอีก พรพูดในที่ประชุมจบในที่ประชุมแล้วก็อย่าเอาเรื่องในที่ประชุมไปบอกขยายผลออกไปข้างนอกจะทําให้หมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันไม่ไว้ใจกันนี่แหละก็คือเจตนาดีถ้าพวกเรามีเจตนามีความมีแต่เจตนาสร้างสรรค์มีแต่เจตนาเพื่อจะให้พวกกลุ่มของเราหมู่ของเราวัดวาของเรา อยู่ด้วยการร่มเย็นเป็นสุขผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะและก็ผมเองกับผมก็ปราวนากับหมูพวกเพื่อทุกงมีอะไรในวัดของเราในการเป็นอยู่ปัจจัยสี่ขาดเหลือขาดตกอะไรและจะมีอะไรใ ห, ให้พวกท่านทั้งหลายรวมกันแล้วก็มาบอกผมว่าเออท่านอาจารย์ครับผมผ ม, ผมมีความต้องการอย่างนี้ปัจจัยอย่างนีออ้จุกยาอย่างนี้ หรือว่ามีความจําเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ครับผมเรื่องปัจจัยสีก็บอกมาในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของและเป็นพ่อผมก็ยินดีพิจารณาอืออันนี้มันเกินไปนะไม่ใช่ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรานอะจะทำอย่างนี้ผมได้ศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่แนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอย่าไปทำเถอะนะมันเกินไปจะแล้วจุดนี้ถ้ามันเกินไปผมก็จะบอก ถ้าว่ามันพอดีหรือว่าผมเออใช่เราเนี่ยอ่อนเกินไปแล้ววะที่หมู่พอพวื่กเพื่อนขอมาเนี่ยถูกต้องแล้ว อ, อ, อันนี้ผมก็จะอนุมัติอนุญาตเนี่ยเอาทําได้นะลูกลูกล้านห ล, ลานนะทำได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการถ้อยทีซร้อยอาศัยกันทั้งครูบาอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยกันทุกคนมีเจตนาดีด้วยกันมีความมุ่งหวังมีความ อย่างไรจึงจะพวกเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุขปราถนาคือจุดยืนของพวกเราอย่างที่ผมพูดแนะนําบอกกล่าวว่าเราบวชมาเพื่ออะไรมีจุดประสองค์อะไรการเข้ามาอยู่ป่าดงพงภัยอย่างนี้เรามาเพื่อหาความสุขแบบอยู่สบายกินสบายนอนสบายอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราบวช้ามาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ ตามแนวแถวอริยประเพณีคือตามแนวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแนะนําสั่งสอนอย่างไรเรารักษาศีลอย่างไงศีลของเราบริสุทธิ์และเหรือสมาธิของเรามีความขยันมากน้อยแค่ไหนและปัญญาที่พวกเราเดินเดินอย่างไงสมถะและวิปัสสนาเราเดินอย่างไง เป็นเป็นไงเป็นที่อุ่นใจแเราหรือยังในการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่าให้อยากจะให้พวกเราทบทวนในตัวของพวกเราทุกๆกท่านอยู่สม่าเสมอนะถ้าว่าพวกเราทบทวนอยู่อยู่แล้วนะผมมั่นใจว่าการอยู่ด้วยกันก็ดีเนี่ยคุณธรรมในจิตใจก็ดีใจของเราจะาร่มเย็นเป็นสุขเออจะเป็นสุขลึกในจิตในใจ อยู่ที่ใดก็นี่แหละอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยหลักพระธรรมวินัยเป็นสากยบุตรเป็นบุตรพระพุท ธ, พพธเจ้าเป็นบุตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับผมผมก็สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในศีลในธรรมในเรื่องอสัมมาคารวะสํารวมแล้วก็ให้ครพศึกซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ผู้น้อย อย่าไปก้าวกายกันให้เคารพกันอพอที่จะช่วยเหลือเจือจานกันพอจะให้ความเคารพกันกับเคารพกันผมไม่ไม่ให้พวกท่านทั้งหลายค้อนเท่าค้อนไม้เท่าไม้นะแข็งก้าวต่อกันไม่ใช่นะอายุพรรษาสูงต้องเคารพตามอายุพรรษาอันนี้คือพ่อวินัยของพระพุทธเจ้าให้พวกเท่าท่านทั้งหลายศึกษาศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัย เอ่ยจึงจะเป็นพระที่ดีพระอยู่ในศีลศีลศีลาจารวัตรถ้าอยู่ในศีลแล้วนะ่ะไปอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดในพวกเราเหมือนกันอยู่ในพื้นแผ่นทินดินไทยก็ต้องเคารพกฎหมายของอบ้านเมืองกฎหมายเป็นยังไงเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองอในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองอยู่ที่ใดเราเคารพกฎหมายประชาคมนะั้นก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเรา ออกนอกลูก่นอกทางไม่เคารพกฎหมายในต่างคนต่างทําประเทศชาติก็คอนแคลนหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะพลเมืองไม่เคารพกฎหมายนี้ก็เหมือนกันน่ะพวกเราอยู่ด้วยกันก็ต้องเคารพสิลงและวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรพวกเราให้อ่านได้ศึกษาแล้วก็หมู่พกเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามเพราะหมู่พวกเพื่อนที่ ต, ตักเตือนก็นกนคงยาวินัยมาตักเตือนนะ เ, เราก็ศึกษาไปอีกท่านตักเตือนมาคํานี้มันอยู่ในวินัยเล่มไหนฮ อ, อย่างนี้แหละเรื่องศีล น, นะเราก็ศึกษาดูในเมื่อศึกษาแล้วก็นนนะทุกองค์มีแต่ความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในศีลในธรรมในหลักวิธธรรมวินัยจากนั้นพวกเราก็ปฏิบัติต่างคนก็ต่างส่องแสวงห า, าความสุขความเจริญทางด้านจิตใจหาทางพ้นทุกข์นะพวกเราก็จะ ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจนะเอาวันนี้เอาธนิกรนั้นนะโอ้อากาศร้อนเอาต่อไปสุดท้ายปฏิโมกขนะ์นี่นี่นะ